สวัสดีคุณผู้ฟังช annel พระเจอผีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่บนเพจของพระเจอผีด้วยนะคะของแท้ของดีค่ะต้องมีเสียงแอร์เท่านั้นนะคะถ้าไม่มีเสียงแอร์แล้วก็เสียงหมาหอนตอนเริ่มต้นนี่ถือว่าเป็นของปลอม พบกันเป็นประจำค่ะเรื่องราวต่างๆที่เรานำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังทุกๆท่านเป็นประจำนะคะทาง a n แ e ลพระเจอผีด้วยแล้วก็วันนี้เช่นเคยค่ะบีเองก็มีเรื่องมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องนี้เป็นเรื่องของวิญญาณครูจันค่ะ เป็นเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนด้วยการบอกเล่าจากเพื่อนครูอีกคนหนึ่งที่สอนในโรงเรียนเดียวกันกับครูจันค่ะครูคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องของพูดผีวิญญาณมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะคือตั้งแต่เล็กจนกระทั่งโตจนเรียนจบแล้วก็ได้สอบเข้าบรรจุเป็นครูได้ไปสอนในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัด ทางภาคอีสานนะคะก็คือจังหวัดหนองคายค่ะโรงเรียนที่ครูคนนั้นไปสอนอยู่เนี่ยก็คือเป็นโรงเรียนในตําบลแห่งหนึ่งของอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายก็จะมีนักเรียนอยู่ประมาณ400คนค่ะบ้านพักครูอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนก็จะมีทั้งหมด3หลังโดยครูผู้ที่เล่าเรื่องนี้นะคะพักอยู่กับภรรยาหลังหนึ่งแล้วก็บ้านพักครูหลังที่ติดกับบ้านพักของอคนที่เล่าเรื่องนี้ก็จะเป็นบ้านพักของครูจันทร์ เดี๋ยวจะขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกๆ ท, ท่านนะคะเล่าตามที่คุณครูท่านนี้ได้เขียนบันทึกไว้แล้วก็ส่งมาให้เราได้อ่านกันนะคะคือคุณครูคนนี้เนี่ยท่านบอกว่าบ้านพักของท่านอยู่ติดกันกับบ้านพักของครูจันนะคะผมแล้วก็ครอบครัวพักอยูอ่ติดกันกับบ้านพักของครูจันแล้วก็รู้จักกันกับครูจันซึ่งต่างก็มีความรักความชอบพอกันมาก ครูจันและก็ภรรยาของเขาก็เป็นคนใจดีด้วยซึ่งในวันหยุดครอบครัวของพวกเรามักจะพากันไปเที่ยวในตัวเมืองเที่ยวเสร็จแล้วก็จะหารับประทานอาหารด้วยกันบ่อยๆทั้งนี้เพราะว่าครูจันท่านมีรถเก๋งส่วนตัวส่วนผมแล้วก็ภรรยานเนี่ยไม่มีรถจึงต้องอาศัยรถของครูจันมาโดยตลอดผมและภรรยาต่างให้ความเคารพครูจันและภรรยาของเขาทาให้ครอบครัวของเรามีความผูกพันกันเป็นอย่างดี โดยเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2540เป็นวันที่ผมต้องจดจำชั่วชีวิตเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ทำให้ผมและครอบครัวของผมต้องสูญเสียบุคคลที่พวกเราให้ความรักและความเคารพเสมอญาติผู้ใหญ่ไป วันนั้นไม่ใช่วันหยุดเรียนแต่ว่าเป็นวันปกติธรรมดาของผมเองก็ไม่ได้ฝันและเกิดสังหอนอะไรเลยซึ่งในขณะที่ผมกำลังสอนหนังสือเด็กๆในชั้นปถมศึกษาปีที่4ที่ห้องกออยู่นั้นก็ได้มีชาวบ้านในหมู่บ้านมาพบกับผมที่โรงเรียนชื่อตะแหวงซึ่งผมมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีมีอะไรหรือครับตะแหวง ผมทักเมื่อเห็นตะแหวงเดินเข้ามาในห้องเรียนพร้อมกับละมือจากการสอนแล้วก็รีบเดินมาหาตแหวงที่ตรงหน้าประตูห้องเมื่อเช้าผมได้เข้าไปในเมืองเห็นคนยืนมุงดูอยู่ริมถนนมากมายรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่4ีห้านายก็พอดีคนขับรถที่ผมนั่งโดยสารไปนั้นมันให้ความสนใจก็เลยหยุดรถและถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าได้เกิดอะไรขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งตกถนนแล้วก็พลิกคว่ำหลายตลบจนรถคันงามพังยับเยินคนขับเสียชีวิตทันทีเนื่องจากว่าหัวเนี่ยไปกระแทกกับกระจกหน้ารถทําให้คอหักแล้วก็พวงมาลัยกระแทกอัดเข้าหน้าอกอย่างรุนแรงจากการค้นตัวของผู้ตายหลังนําออกมาจากซากรถแล้วก็ปรากฏว่าชื่อของผู้ตายชื่อจันทร์หรืออะไรนี่แหละ ตะแหวงเล่ามาถึงตรงนี้ทำให้ผมใจหายว่าขึ้นมาทันทีเพราะเมื่อวานนี้ครูจันได้เข้าไปอบรมในตัวเมืองแล้วจะกลับวันที่24เมษาผมจึงถามตะแหวงเพื่อความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งว่าตะแหวงได้เห็นรถเก๋งคันที่พลิกคว่านั้นไหมว่าเป็นยี่ห้ออะไรหรือว่าสีอะไรแล้วเลขทะเบียนอะไรชื่อของคนที่เสียชีวิตนั้นตะแหวงแน่ใจนะว่าหูไม่ฝาด จริงครับครูตำรวจบอกว่าคนที่ตายเนี่ยชื่อจันทร์แต่ผมเองมองไม่เห็นหน้าต่างคนตายหรอกเพราะเขาเอาหนังสือพิมพ์ปิดไว้มีแต่ตีนเท่านั้นแหละที่โผล่ออกมาหเห็นนิดเดียวเท่านั้นส่วนรถเก๋งเนี่ยผมมองเห็นเป็นรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าสีแดงเพียงเท่านี้ก็สามารถสันนิษฐานได้แล้วว่าเป็นรถเก๋งของครูจันทร์แล้วก็คนที่ตายนั้นก็เป็นครูจันทร์เช่นเดียวกันแม้ว่าตอนนั้นหัวใจของผมจะเต้นแรงผิดปกติ แต่ผมเองก็พยายามทำใจและถามตระแวงต่อไปว่าตระแวงเจอตอนกี่โมงผมถามย้ำเพื่อความมั่นใจอีกชั้นหนึ่งคงประมาณสิบโมงเช้าครับค ร, บครูป่นนี้ตำรวจคงนำศพไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลรอญาติไปรับเพื่อนำไปทำพิธีทางาศาสนาแล้วละ่ะ คราวนี้ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซว่าเป็นครูจัน์แน่นอนผมเดินออกจากห้องไปที่บ้านพักครูจันทันทีเพื่อนำข่าวไปบอกภรรยาของเา้าปรากฏว่าประตูบ้านปิดใส่กุญแจผมจึงเดินเลยไปที่บ้านเพื่อถามภรรยาของผมเออนี่เธอรู้ไหมว่าพี่น้องเข้าไปไหนตั้งแต่เช้าภรรยาของผมสายหน้าพร้อมกับพูดว่าฉันเองก็แปลกใจเหมือนกันนะ ธรรมดาพี่น้องเนี่ยจะตื่นขึ้นมานึ่งข้าวแล้วก็ทําอาหารแต่ว่าวันนี้ตั้งแต่เชา้ายังไม่เห็นพี่น้องเขาเลยไม่รู้ไปไหนของเขาผมก็เลยบอกภรรยาผมไปว่าเมื่อเช้านี้ตะแหวงได้มาบอกว่าเห็นรถของครูจันทร์เนี่ยพลิกคว่ำหลายตลบจากถนนลงไปนอนแองแง้งอยู่ข้างถนนรถเนี่ยพังยับเยินตะแหวงบอกว่าคนตายชื่อจันทร์ผมเองก็เลยสงสัยว่าจะเป็นครูจันทร์ที่เดินทางเข้าไปในเมืองเพื่ออบรมครูเมื่อวานนี้เพราะว่ามีกําหนดกลับบ้านวันนี้ด้วย อ้าวแล้วอย่างนี้พ่อก็ลองโทรศัพท์ไปถามพี่น้องดูสิผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจัดแจงถามเรื่องราวกับพี่น้องครูจันทร์เสียแล้วค่ะแล้วก็วางสายภรรยาของผมเมื่อดูว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงถึงกับเข่าอ่อนสุดตัวลงนั่งกับพื้นพร้อมกับนิ่งไปครู่ใหญ่ เมื่อทราบความจริงแน่นอนผมก็เลยไปเรียนให้อาจา ร, รย์ใหญ่ทราบจากนั้นผมและภรรยาก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเพื่อพบกับพี่น้องภรรยาของครูจันทร์ ปรากฏว่าทุกอย่างพี่น้องได้จัดการเรียบร้อยแล้วโดยศพของครูจัน์ได้นำมาทำพิธีทางาศาสนาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในหมู่บ้านทุกคนที่มาในงานศบต่างก็พูดถึงคุณงามความดีของครูจันนักเรียนบางคนที่อ่อนไหวก็ปล่อยโฮออกมาเพราะทุกคนต่างก็รักและเคารพครูจันเป็นอย่างมากครับนี่แหละคือความไม่แน่นอนของชีวิต ไม่มีใครหลอกกังที่จะรู้ว่าตัวเองต้องจำพลากจากครอบครัวและเพื่อนๆรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยอุบัติเหตุอย่างน่าสยดสยองเช่นนี้นับตั้งแต่วันที่ครูจันทร์ได้จากพวกเราผมและภรรยาก็ยังพักอยู่ที่เดิมส่วนภรรยาของครูจันทร์ได้ย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านเกิดจนกระทั่งหนึ่งปีได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วผมลืมเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นหมดแล้ว มีอยู่วันหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2541แต่ก็จำไม่ได้ว่ามันเป็นวันที่เท่าไหร่ผมกับเพื่อนครูในโรงเรียนอีก4คนก็ได้เดินทางเข้าไปอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรการสอนแนวใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จังหวัดหนองคายเป็นเวลา3วันและในวันสุดท้ายกว่าจะอบรมเสร็จก็4โมงเย็น พวกเราจึงถือโอกาสไปเลี้ยงฉลองในร้านอาหารระดับดีแห่งหนึ่งริมแม่น้ำโขงเพราะไหนๆก็เข้ามาในเมืองแล้วก็เลี้ยงฉลองถ่องกันให้สนุกสักตั้งกว่าจะออกจากร้านอาหารได้ก็ทุ่มกว่าๆและเดินทางกลับถึงบ้านก็ประมาณ4ี่ทุ่มเห็นจะได้ออลืมบอกไปพวกเรามีรถส่วนตัวไปเองแต่ผมไม่มีรถจึงต้องอาศัยรถของครูคนหนึ่งจากจังหวัดพอถึงหน้าโรงเรียนผมก็ลงจากรถเพื่อเดินเข้าบ้านพักที่อยู่หลังโรงเรียน ซึ่งในขณะนั้นที่ผมเดินเลาะมาทางด้านหลังของโรงเรียนหูผมก็แววได้ยินเสียงเหมือนเสียงเรียกของครูจันแต่ผมก็ไม่ได้หันไปมองพอผมเดินต่อไปอีกก็มีเสียงเหมือนคนเดินตามหลังมาติดติดและมีเสียงเรียกชื่อผมก็นึกว่าผมหูแววเข้าไปอีกพี่นึกผมหิวเหลือเกินไม่ได้กินอาหารมาเป็นเวลานานแล้วพี่ช่วยทาบุญไปให้ผมด้วย เสียงเรียกพร้อมกับเสียงพูดนะคะของอคนที่ครูนึกหรือว่าพี่นึกนะคะคนที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยได้ยินมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ทำให้เขาเนี่ยขนลุกสู้ไปทั้งตัวโดยแทบจะก้าวขาไม่ออกทั้งทงที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่กลัวผีแต่ไม่รู้ว่าทำไมคืนนั้นผมถึงทำอะไรไม่ถูกขาผมแทบจะก้าวไม่ออกเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างประหลาดใจ ผมก็เลยตัดสินใจอะเป็นไงเป็นกันผมหยุดเดินแล้วก็หันหลังกลับไปมองปรากฏนะคะว่าภาพที่เห็นท่ามกลางแสงเดือนในคืนนั้นแทบจะไม่เชื่อสายตาของตัวเองเลยว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้านั้นก็คือครูจันที่ยังอยู่ในชุดขาวยืนสงบนิ่งและในขณะเดียวกันค่ะก็มีนกแสกสองตัวบินโฉบลงมาเฉียดตัวของครูนึกไปนิดเดียวเท่านั้นเองพร้อมกับส่งเสียงร้องความกลัวมันก็ถาถมเข้ามาหาจนสุดที่จ ะ, ะเผชิญหน้า กับครูจันทร์ตรงนั้นได้ครูนึกก็เลยต้องวิ่งหนีสุดชีวิตไปจนถึงบันไดหน้าบ้านพักภรรยาของเขานะคะที่ยังไม่นอนค่ะก็ยังคงดูทีวีฆ่าเวลารอสามีกลับมาก็คงจะได้ยินเสียงวิ่ ง, งนะคะก็เลยมาเปิดประตูออกมาพร้อมกับวิ่งพรวดเข้าไปในบ้านตัวสั่นปากสั่นเขาบอกว่าผมไม่ยอมหันหลังกลับไปมองอีกเพราะกลัวครูจันทรตามมาส่งที่บันไดบ้าน เรื่องที่เกิดขึ้นแม้ภรรยาของเขาจะพยายามซักถามว่าวิ่งหนีอะไรมาแต่ตัวเขาเองก็บ่ายเบี่ยงไปเรื่องอื่นไม่ยอมเล่าเรื่องผีครูจันที่ปรากฏตัวให้เห็นแต่ประการใดเพราะเขาไม่ต้องการให้เธอรู้ เพราะอาจจะทําให้เธอกลัวและไม่กล้าอยู่บ้านตามลําพังได้เดี๋ยวมันจะยุ่งผมลาพักผ่อน 3- าสี่วันเพื่อทําใจให้เป็นปกติจึงได้กลับไปสอนพวกเด็กๆจนกระทั่งต่อมาไม่นานก็เลยได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ครูจันทร์ตามที่ครูจันทร์ขอเพื่อที่จะให้ไปสู่สุคติจากนั้นเป็นต้นมาครูจันทรเองก็ไม่เคยมาปรากฏตัวให้กับผมเห็นเลย นี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ครูนึกค่ะที่สอนอยู่ที่จังหวัดหนองคายมาเล่าเรื่องวิญญาณครูจันให้พวกเราได้ฟังกันในวันนี้นะคะต่อกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของสนามบินสุวรรณภูมิค่ะที่เคยมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของคนตายอยู่ที่ต้นเสาแล้วก็เป็นที่ร่ำลือกันถึงความเี้ยน ยุคนี้เรื่องของผีแล้วก็วิญญาณกำลังมาแรงนะคะเนื่องจากว่าผีหรือว่าวิญญาณนั้นก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีค่ะเที่ยวหลอกผู้คนแต่ว่าในยุคนี้ หัวไวแล้วก็จะมีความฉลาดกว่าผีนะคะสำหรับผู้คนค่ะผีที่เที่ยวขอนน่นขอนี่หมายถึงขอส่วนบุญนะคะจากชาวบ้านเพื่อให้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพื่อจะได้บรรเทาแล้วก็หลุดพ้นจากบ่วงกรรมได้ไปเกิดในภพภูมิใหม่สทัทีไม่ต้องมาเร่ร่อนเป็นผีตายอดตายอยากอีกต่อไป ชาวบ้านที่โดนผีปรากฏตัวให้เห็นด้วยเจตนาจะบอกกล่าวเพื่อช่วยทำบุญไปให้พวกเขาด้วยกลับต้องเพนนี้จนป่าราบหรือว่าจับไข้หัวโกรนบางคนเนี่ยนะคะกลัวมากถึงกับช็อกตายเลยก็มีแต่ว่าคนสมัยใหม่นี่หัวไวค่ะเมื่อรู้ว่าผีชอบขอนัก ก็เลยเล่นวิธีการชิงขอผีกลับคืนบ้างมีที่ไหนคะที่เรียกว่าผีเฮี้ยนเนี่ยพวกเขาก็จะชอบนักละคะ่ะไกลแค่ไหนก็จะดันด้นไปหาการไปหาใช่ว่าจะไปจับผีลงหม้อหรือว่าถ่วงน้ำเหมือนในหมอผีในหนังเรื่องแม่นาคพระขนงนะคะพวกเขาไปหาผีตนนั้นก็เพื่อจะผูกมิดไม่ได้ไปมือเปล่านะคะแต่ว่าก็จะมีทั้งพวกดอกไม้ทูบเทียน บุรีเอ่ยเล้ายาปลาปิ้งเอ่ยนะคะรวมถึงที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแป้งกระป๋องค่ะบางคนเนี่ยนะคะฉลาดกว่าผีก็มีก็จะเป็นพวกของเส้นไหวดีๆติดไม้ติดมือไปเพื่อประจบผีนะคะให้ผีได้กินรสอร่อยสักมือหนึ่งพวกเขาทำไปเพราะอะไรรู้ไหมคะพวกเขาทั้งหลายเนี่ยคือเพียงเพื่อที่ต้องการจะขอหวยถามว่าพวกเขาเหล่านี้กลัวผีไหม ตอบคำเดียวเลยว่ากลัวค่ะกลัวมากๆด้วยแต่ว่าพวกเขากล้าเดินเข้าไปในดินแดนผีสิงดินแดนที่เฮี้ยนมากเพราะว่ากิเลสของพวกเขาเนี่ยกำลังที่จะเป็นไฟเผาลนจิตใจของตัวเองกิเลสตัวนี้มันมีอำนาจยิ่งใหญ่นะสามารถบังคับจิตให้กล้าแล้วก็ยอมตายหายกลัวชั่วขณะขอเพียงให้ได้สิ่งนั้นมาสมใจอยาก เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนเมษายนพุทธศักราช2552บีก็เห็นพาดหัวข่าวลงของหนังสือพิมพ์ ไทโรัฐนะคะเป็นเรื่องของอผีที่สุวรรณภูมินะคะพาดหัวข่าวรองบอกว่าว่นเน็ตเสาวผีสิงในสุวรรณภูมิโอ้ทำอภภาวาเหมือนกันตอนนั้นเพราะว่าข่าวนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันกับการย้ายสายการบินภายในประเทศจากสนามบินดอนเมืองกลับไปที่สนามบินสุวรรณภูมิอีกครั้ง ทีแรกนะคะก็นึกว่าผีเนี่ยมันโดยสารไปกับการบินไทยหรือไม่ก็สายการบินอื่นการบินใดการบินหนึ่งย้ายจากสนามบินดอนเมืองไปซะอีกแต่ว่าพออ่านไปถึงบรรทัดนี้ก็ค่อยโล่งอกแต่ก็ยังหวั่นไหวในความรู้สึกเหมือนกันนะเพราะว่าเสาผีสิงต้นนี้เนี่ยมันอยู่บริเวณอาคารสนามบินค่ะ ข่าวเรื่องของผีสิงสนามบินสุวรรณภูมิปรากฏร่างให้คนเห็นมานานแล้วโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ของสนามบินที่เข้าเวรตอนกลางคืนก็จะเห็นผู้หญิงสาวผมยาวเดินไปมาในห้องแล้วก็ยังเห็นกันอีกหลายคนด้วย ข่าวนี้เนะะี่ยฮะลือกันมานานเป็นที่ล่ำลือของเจ้าหน้าที่ที่สนามบินสุวรรณภูมินี่แหละจนรั่ว ม, มาจนถึงชาวเน็ตแล้วก็มีการ forward mail เกี่ยวกับเรื่องแล้วก็ภาพเสาผีสิงภายในสนามบินสุวรรณภูมิตามข่าวที่ได้บันทึกไว้เมื่อครั้งที่กำลังก่อสร้างอาคารผู้โดยสารนั้นก็ได้มีหญิงสาวเคราะห์ร้ายคนนึงค่ะถูกข่มขืนแล้วก็ฆ่าจากนั้นก็นำศพมาฝังไว้ที่เสาต้นหนึ่งเพื่อ อ, อาพรางคดี หลังจากที่เปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิได้ไม่นานก็มีข่าวลือในหมู่พนักงานบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเจอวิญญาณของผู้หญิงคนนึงรูปร่างสันทัดผมยาวสยายเลยนะคะออกมาปรากฏตัวให้เจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานออฟฟิศที่สนามบินเนี่ยเห็นกันเป็นประจำมาในลักษณะปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็เดินหายเข้าไปในต้นเสาสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็กลัวกันเป็นจำนวนมาก ในช่วงแรกนะคะก็มีเพียงแค่ข่าวลือในกลุ่มของเจ้าหน้าที่สนามบินแล้วก็พนักงานในออฟฟิศที่ทำงานในกะกลางคืนในช่วงดึกแค่นั้นทำให้บรรดาพนักงานฝ่ายต่างๆเนี่ยที่รับรู้เรื่องนี้ก็โอ้อกสันขวัญแขวนละค่ะกลัวจิตร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่มีกระจิตกระใจจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะว่ากลัวนะคะจะเข้าห้องน้าทีก็ไม่กล้าเข้าคนเดียวกลัวค่ะต้องพาเพื่อนเข้าไปเยอะๆ ยิ่งถ้าเป็นเวลาค่นคืนดึกดื่นผู้คนในห้องทำงานก็พากันกลับบ้านเหลือเพียงแค่กะกลางคืนไม่กี่คนทำให้บรรยากาศในออฟฟิศเงียบนะคะต่างคนต่างก็ก้มหน้าทำงานหากว่าวันนั้นเป็นวันพระขึ้นแรม15บหาคำผีสาวอาจมายืนอยู่ข้างๆโต๊ะพนักงานในออฟฟิศทำงานอย่างเงียบๆพร้อมกับแลบลินปลิ้นตาในขณะที่อยู่ลาพังคนเดียวในห้อง เมื่อเสียงเล่าลือหนาหูขึ้นทุกวันนี้ก็มีทั้งคนเชื่อแล้วก็คนไม่เชื่อเรื่องของผีเรื่องของวิญญาณแม้ว่าคนที่เห็นกับตาก็ยังกล้ายืนยันเป็นเสียงเดียวกันเขาว่ามีผีสาวเนี่ยมาปรากฏร่างให้เห็นจริงๆนะในตอนดึกๆแล้วก็มักจะออกมาเดินปรากฏตัวให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างต่อหน้าต่อตาพร้อมกันหลายคนจากนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปในห้องที่มีเสาผีสิงนะคะ ต่อมาบรรดาเจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานก็เลยได้ทำบุญอุทิศกุศลไปให้ดวงวิญญาณหญิงสาวก็เลยทำให้ข่าวลือเรื่องของผีสาวเนี่ยเงียบไประยะหนึ่งจนกระทั่งต่อมาบรรดาชาวเน็ตก็เลยนำเรื่องผีสาวที่สวรรณภูมิ ออกมาอารวาดค่ะปูดขึ้นมาใหม่โดยมีการ forward mail ทั้งเรื่องและก็ภาพเสาผีสิงพร้อมกับรายละเอียดเมื่อครั้งกำลังก่อสร้างอาคารผู้โดยสารของสนามบินค่ะว่าได้มีหญิงสาวเคราะห์ร้ายถูกฆ่ามคมขืนแล้วก็นำศพไปฝังไว้ที่เสาต้นหนึ่งโดยที่ไม่มีผู้ใดรู้จนกระทั่งหลังจากนั้นนะคะก็ทางหน่วยงานเขาก็ได้เปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิค่ะก็ปรากฏนะคะว่า เกิดวิญญาณเฮี้ยนขึ้นมาคอยหลอกหลอนพนักงานที่เข้าเวรกะดึกจนต้องมีพิธีเส้นไหว้กันโกลาหลจนมีเรื่องโจดขานกันมาแล้วจนกระทั่งได้มีการร้องเรียนค่ะให้หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ก็คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นสำนักข่าวที่จะเข้าไปพิสูจน์เพื่อค้นหาความจริงของเรื่องนี้ให้เป็นที่กระจ่างออกมาเพราะว่ากลัวจะเป็นเรื่องราวหลอกลวงของพวกคนไม่หวังดีนะคะ จนเวลา16นาฬิกา30นาทีของวันที่30มีนาคมปี2552ช่วงเวลานั้นแดดร่มลมตกแล้วดวงตะวันก็กำลังอ่อนแสงลงในทุกขณะรัติการก็กำลังเข้ามาถึงอันเป็นห่วงเวลาของผีที่จะออกจากหลุมเนี่ยนะคะ นายโสรสชาติแดงแสงส่งหัวหน้าฝ่ายสอบสวนแล้วก็ปราบปรามท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็นายศักดาสเวตรัตหัวหน้าฝ่ายดูแลแล้วก็ปราบปรามยาเสษติดเกี่ยวกับพัสดุปรษณีย์สุลกากรก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของผีสิงต้นนี้ค่ะว่าเสาต้นที่เล่าลือกันว่ามีผีสิงนั้นอยู่กลางห้องคลังเก็บของศุลกากรซึ่งมีขนาดความกว้าง7เมตรยาว14เมตรความสูงของเสาจากพื้นสู่เพดานสูง3เมตร ห้องดังกล่าวนี้เป็นห้องสำหรับฝากกระเป๋าแล้วก็สินของของชาวต่างชาติที่แวะมาทำทุระแล้วก็ท่องเที่ยวในประเทศไทยแต่ว่าไม่ต้องการจะนำสัมภาระเข้าไปในประเทศจึงต้องนำมาฝากไว้ที่ห้องนี้นะคะ จากการเดินสำรวจภายในห้องค่ะก็ปรากฏว่าเสาผีสิงที่ร่ำรือกันบริเวณตรงกลางเสาเนี่ยจะมีร่องรอยของการฉาบ ป, ปูนขนาดใหญ่ปิดทับไว้สองจุดลักษณะกับคล้ายการถูกเจาะเนื้อปูนเดิมออกแล้วก็มีการฉาบ ป, ปูนปิดทับไว้ผิดกับเสาตัวอื่นๆนะคะที่มีเนื้อปูนฉาบเรียบสม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกัน บริเวณที่มีรอยฉาบปูนก็จะมีคราบแป้งคล้ายกับมีคนมาขูดหาเลขเด็ดค่ะแล้วก็ยังมีแผ่นทองคำเปลวติดตามเสาเป็นจุดๆนอกจากนี้ก็ยังมีสายสร้อยดูกปัดมาแขวนไว้เป็นเครื่องเส้นไหว้กับข่าวลือผีสิงในต้นเสาออกมาปรากฏตัวหลอกหลอนนายสมศักดิ์เลิศสุวรรณรัตน์นะคะ ซึ่งเป็นผู้ดูแลห้องดังกล่าวก็ได้เล่าให้ทีมงานฟังบอกว่าเคยได้ยินเรื่องผีตนนี้จากคำเล่าลือเมื่อครั้งสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกำลังทำการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารก็ได้มีคนงานสาวชาวพามา่าตกลงไปในแบบหล่อเสาขนาดใหญ่ พวกเพื่อนคนงานไม่รู้ก็เลยเทปูนทับลงไปทําให้ฝังเพื่อนทั้งเป็นมารู้กันอีกทีก็คือตอนที่ลอกแบบออกไปก็เห็นเป็นรูปของตัวคนปรากฏว่าอยู่ในเสานะคะวิศวกรผู้ควบคุมงานจึงสั่งให้คนงานนช่วยกันกระเทาะคอนกรีตออกเพื่อนําศพออกมาแต่เนื่องจากเสาคอนกรีตต้นดังกล่าวนี่มันมีความแข็งมากจึงนําศพของหญิงสาวผู้เคราะร้ายออกมาได้เพียงบางส่วนเท่านั้นจากนั้นก็ได้สั่งให้ปิดปูนตรงที่เป็นรอยกระเทาะแต่ก็ยังคงมี ร่องรอยให้เห็นอยู่200รอยที่เห็นเนี่ยนะคะซึ่งนายสมศักดิ์ยังได้กล่าวต่อไปอีกค่ะว่าคนที่เชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องผีก็ได้เข้าไปกราบไหว้ของหวยซึ่งเชื่อกันว่า วิญญาณมีความอัศจรรย์เป็นผู้อย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและสามารถช่วยบอกหวยแม่นๆได้ส่วนพวกเขาจะได้ดังที่ขอกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยมีทองคําเปลวมาติดตามต้นเสาพร้อมทั้งมีสร้อยแหวนเพชรมาแขวนไว้ที่ต้นเสาโดยทุกวันนี้ค่ะก็ยังคงมีคนทยอยมาขออยู่ตลอดเฉพาะคนภายในสุวรรณภูมิที่รู้เรื่องนะคะแล้วก็ได้ยินข่าวเหมือนกันว่า มีคนถูกหวยจากการขูดหาหวยเนี่ยตรงต้นเสาต้นนี้แล้วก็ได้หวยไปซื้อแล้วก็ถูกนะคะแล้วก็กลับมาแก้บนในสิ่งที่เขาได้บนไว้นะคะก็เลยเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องหลอกลวงกันส่วนผีจะมีจริงหรือไม่นั้นนะคะก็ไม่อยากจะพูดหรือว่าจะท้าทายกับสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างไรก็อย่าปรากฏตัวให้ผมเห็นเลยนะนายสมศักดิ์กล่าวทิ้งท้าย สำหรับเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังบีเองก็เชื่อค่ะว่าเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็มักจะปรากฏตัวให้เห็นก็ต่อเมื่อผีเนี่ยต้องการที่จะบอกกล่าวสิ่งต่างๆนะคะให้กับบรรดาคนทั่วไปเนี่ยได้รู้ แต่เราเองตั้งหากที่กลับไปกลัวเขาและบีเองก็เชื่อค่ะว่าผีที่สวรรณภูมินั้นมีมากมายเดินปะปนอยู่กับคนเดินทางทุกวันเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นพวกเขาเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะในขณะที่คุณกำลังนั่งอยู่คนเดียวมันอาจจะมานั่งเป็นเพื่อนคุณอยู่ข้างๆคุณแล้วก็เป็นได้